หลักสูตรนี้เนี่ยถ้าเรานับครูบาอาจารย์เนี่ยนับไม่ไหวแล้วนะครับคือที่มาสั่งสอนพวกเราเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากวันจบก็คงขอเข้ามากันเยอะเลยนะขอเข้ามากันเยอะองค์เลยก็ดูการปรุงแต่งภายในไว้ดีๆก็แล้วกั น, นวิธีการศึกษาคํา ของทั้งพระพุทธเจ้าแล้วก็ของครูบาอาจารย์ระดับสูงเนี่ยผมจะแนะนำไว้เลยอย่าเอาตัวกูเป็นที่ตั้งนะเพราะว่ากูไม่ได้เก่งไม่ได้แน่มาจากไหนหรอกอย่านึกว่ากูรู้ทุกอย่างมีสิ่งที่กูรู้เนี่ยนิดเดียวถ้าในกราฟวงกลมเนี่ยสิ่งที่กูรู้มีอยู่ไม่เกิน 20% เอร์ซต์ในกราฟอีกแปดสิบนั้นะไม่รู้เลย ปัญญาการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่สุดรวมถึงผู้ที่เดินทางก็จนถึงที่สุดแห่งทุกข์ทั้งหลายนะครับท่านพูดอะไรท่านเตือนอะไรท่านบอกอะไรเนี่ยเพราะว่าท่านเห็นแล้วว่าโทษภัยของมันคืออะไรแต่ว่าเรา เนื่องจากว่าเรายัางหลงยังติดยังเพลิดเพลินยังมีทิฏฐิที่ไม่ถูกตรงเท่าไหร่เราก็จะเห็นสิ่งนั้นเอาแค่ความสุขจากวัตถุหรือวัตถุกรรมทั้งหลายเนี่ยหรืออะไรทั้งหลา ย, ยที่ท่านตรัสเตือนภิกษุตั้งแต่ข้อแรกถ้าเราคนธรรมดาเอาไปวัดคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะบอกโอ้ยใครจะไปทำได้แบบนี้เลย ผมว่าเรานั่งฟังแล้วก็ลองพิจารณาดูดีกว่าว่าทำไมท่านถึงเตือนปัญจวัคคีแบบนั้นแล้วเตือนค่อนข้างแรงแสดงว่าสิ่งเหล่านี้มีโทษมีภัยเยอะมากกว่าอย่างที่ผมเปิดเดี่ยวอะไรเนี่ยให้ดูพอจบปับ๊บผมให้ท่านนั่งสมาธิเลยผมถามว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหนไม่มีที่นั่งคิดอยู่คือซาก เป็นสังขารการปรุงแต่งกับวิญญาณที่ค้างอยู่ที่พระเจ้าก็ดักคอยว่าภิกษุย่อมพ่เพลิดเพลินพล่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่กับสิ่งที่เป็นมายาเรื่องมันจบไปแล้วเหมือนต่อมน้ําเหมือนพยับแดดปุ๊บแล้วก็หายไปสุขทั้งหลายที่ชาวโลกพูดถึงเป็นแค่มายาเท่านั้นเองเหมือนพยับแดดที่เหมือนฝันท่านว่าจะใช้คําว่าเหมือนฝันคือพอถึงวินาทีวินาทีที่แล้วยังมีอยู่แล้ววินาทีนี้ไม่มีแล้ว ที่ยังคิดอยู่คือเลียซากของเก่าอยู่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ถ้าเรายังไม่สามารถปฏิบัติได้เรายังต้องทำอยู่ขอให้เรามีสัมมาทิฏฐิแล้วบอกตัวเองว่าอืมชาตินี้เราคงยังทำไม่ได้แต่ขอให้มีสัมมาทิฏฐิขึ้นในจิตเถอะชาติหน้าจะได้มีโอกาสถ้าจะต้องรอถึงชาติหน้า เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเห็นสัมมาทิฐิปัญญาการตัดสรู้ของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็นํามาพินิจวิเคราะห์อย่าลืมว่าสิ่งที่ท่านตรัดสอนเนี่ยเป็นการเข้าถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพระอรหันต์ทั้งสิ้นนะครับส่วนพวกเราอ า, อาจจะเป็นคฤหัสน์ผู้ครองเรือนเราได้ยินสิ่งที่สูงสุดเอาไว้ก่อนทําได้ก็ทําทําได้แค่ไหนก็เต็มที่ในเมื่อเรามีโอกาสได้ยินได้ฟังแล้ว ทีนี้ลองมามดูมุมมองของครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งกันแล้วกัน